นึงที่ทุกคนมักจะถามในใจหรือว่าอาจจะนึกแต่ไม่ได้ถามเป็นข้อความแบบนี้ก็คือชีวิตที่ดีเนี่ยมันเป็นยังไงนชีวิตที่ดีนี่เป็นยังไงคนจนวไม่น้อยเนี่ยก็เวลามุ่งมากปรารถนา นะก็อยากให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยมีความพรั่งพร้อมไปด้วยลาบยศสุขสรรเสริญนะหรือบางคนก็คิดว่าชีวิตที่ดีก็คือชีวิตที่นะร่ํารวยมั่งคั่งนะมีอำนาจมีบริษัทบริวารชีวิตที่ว่านี่มันก็ยังไม่เรียกว่าเป็นชีวิตที่ดีนะในแง่ของพุทธศาสนามัน ไม่สามารถจะเป็นหลักประกันแห่งความสุขได้านุบสลุคติชีวิตที่ดีเนี่ยที่กระชับแล้วก็ครอบคลุมความหมายได้ดีแต่ก็คือคำกล่าวของท่านเจ้าพุทธทาสนะที่ว่าชีวิตที่ดีก็คือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์นะสั้นนะ กระชับนะแต่ว่ากินความหมายครบถ้วนของชีวิต ท, ที่ดีในพุทธศาสนาสงบเย็ยนในที่นี้หมายถึงสงบเย็ยนในจิตใจนะมันมีความหมายทั้งสงบเย็ยนแบบธรรมดาๆรรใจสบายไม่รุ่มร้อนอย่างที่เราอาจจะสัมผัสได้ หรือว่าสงบเย็นอย่างลึกซึ้งนะถึงขั้นพระนิพพานก็ได้พระนิพพานก็แปลว่าสงบเย็นอยู่แล้วอันี้สงบเย็นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของด้านในภาวะที่พึงประสงค์นะในส่วนด้านในส่วนเป็นประโยชน์เนี่ยนะก็หมายถึงาการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้อื่น นะก็คือภายนอกภายนอกก็สงบเย็นอ่าภายในก็สงบเย็นนะภายนอกก็เอื้อเฟือเ้อเกื้อกูลผู้อื่นอันนี้ก็เรียกว่าครบนะคุณสมบัติของชาวพุทธก็คือมีทั้งประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านประโยชน์ตนอย่างเดียวนะไม่พอนะจะทําแล้วก็ตามหรือว่าชีวิตที่ดําเนินมาเนี่ยจะมุ่งแต่ประโยชน์ตนอย่างเดียวก็ไม่พอนะ มันต้องมุ่งประโยชน์ท่านด้วยหรือทําให้เกิดประโยชน์ท่านขึ้นมาแต่บางคนก็มุ่งแต่ประโยชน์ท่านนะอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นแต่ว่าจิตใจรุ่มร้อนนะกรัดกลุ่มเครียดเต็มไปด้วยความโกรธเกลียดเพราะไม่สมหวังเพราะว่าเจอแรงเสียดทานจากการทํางานเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น อันนี้มันก็ไม่ถูกเหมือนกันเปรียบไปก็เหมือนกับพัดลมนะพัดลมที่ทํางานมาหลายชั่วโมงมันให้ความเย็นกับผู้อื่นนะแต่ตัวมันเองนี่กลับร้อนนะลองไปจับเครื่องยนต์นะหลังใบพัดเนี่ยมันจะร้อนแต่ว่าข้างหน้าใบพัดนี่มันให้ความเย็นหลายคนเป็นอย่างนั้นนะทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะแต่ว่าตัวเองนี่รุ่มร้อน เครียดบางทีก็ถึงกับเจ็บป่วยหรือบางคนก็กลัดกลุ่มจนกระทั่งฆ่าตัวตายเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าไม่ครบถ้วนนะถ้าว่าทําแต่ประโยชน์ท่านแต่ประโยชน์ตนไม่รู้จักหรือเข้าไม่ถึงโดยเพราะความสงบเย็นแต่นักปฏิบัติธรรมหรือว่าชาวผู้จานวนมากก็มุ่งความสงบเย็นนะจนกระทั่งลืมประโยชน์ท่านนะก็คือว่า มุ่งแต่ปฏิบัติธรรมเพื่ อ, อความพ้นทุกส่วนตัวนะแต่ว่าไม่ได้ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกือ้อกูลผู้อื่นอันนี้มันก็เป็นชีวิตที่ดีแบบครึ่งคร่งกลางๆเหมือนกันแต่จะให้ดีพร้อมเนี่ยก็นี่แหละสงบเย็นด้วยข้างในขณะเดียวกันก็มีการกระทำที่เอื้อเฟื้อเกือ้อกูลผู้อื่นเกิดประโยชน์ขึ้นนะกับ ส่วนรวมถ้าดูให้ดีเนี่ยมันก็ทั้งสงบเย็นแลเป็นประโยชน์ก็จะครอบคลุมทั้งปัญญาและกรุณาซึ่งเป็นองคุณสำคัญของพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าก็มีองคุณหรือพุทธคุณอยู่สำคัญสองประการนะปัญญากับกรุณาปัญญาเนี่ยนะช่วยทำให้พ้นทุกข์ก็เข้าถึงนิพพานได้ก็เพราะมีปัญญานะ เห็นความจริงของสรรพสิ่งว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นก็ปล่อยวางจิตก็พบกับความสงบเย็นไม่มีความทุกข์ใจไม่รู้จักความผิดหวังเพราะว่าไม่มีความหวังกับสิ่งใดที่ไม่มีความหวังก็เพราะไม่ใช่ว่ามันสิ้นหวังนะแต่เพราะรู้ว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันจะสำเร็จได้มันไม่ได้อยู่ที่ความหวังของเราแต่มันอยู่ที่การ ทำความเพียรหรืออยู่ที่เหตุปัจจัยเมื่อมีปัญญานะอย่างถึงที่สุดนะก็สงบเย็นตอนนี้เมื่อสงบเย็นแล้วนะไม่มีความพิ็กตัวไม่มีตัวกูของกูเพราะว่ารู้ว่ามันเป็นมายาจิตก็เกิดเมตตานะแผ่กว้างก็นำไปสู่การทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นนะอย่างที่ พระพุทโธได้เป็นแบบอย่างนันคำของทายาทเพื่อท่านนะที่ว่าเนี่ยชีวิตที่ดีคือชีวิตที่สงบเย็นเป็นประโยชน์เนี่ยมันมันเอามาเป็นเครื่องเตือนใจหรือเป็นเครื่องเครื่องวัดนะความก้าวหน้าของชีวิตเราก็ได้นะในสณะที่เป็นชาวพุทธว่าผ่านที่ชีวิตที่ผ่านมาเนี่เราสงบเย็นเพิ่มขึ้นไหมแล้วก็เราได้ทำประโยชน์ให้งอกเงย จ่เพื่มมนุษย์บ้างหรือเปล่าหรือว่าเพิ่มขึ้นมากมายเพียงใดฉนะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องสงบเด็นเป็นประโยชน์นะก็จะเข้าใจที่ท่านจาพูดท่าพูดว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมการทำงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทำไปเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นนะอันนี้ก็ดีอยู่นะแต่ว่าถ้าหากว่าเราทำให้การทำงานเป็นการปฏิบัติธรรมด้วยเนี่ย นะมันก็สามารถจะเกิดทั้งประโยชน์ท่านและประโยชน์ตนะการปฏิบัติธรรมในที่นี้ก็หมายถึงว่าการฝึกจิตนะการวางจิตวางใจหรือการใช้งานเนี่ยเป็นเครื่องฝึกพัฒนาจิตใจเวลาทำงานเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นทำครัวก็ดีหรือว่าทำงานที่ใช้สมองใช้ความคิดก็ดีเนี่ยนะ หลายคนก็มุ่งที่ความสำเร็จนะเช่นทำงานอาหารให้อร่อยทำงานให้ออกมาดีนะแต่ว่าก็ยังไม่ครบถ้วนนะถ้าจะให้ดียิ่งกว่านั้นก็คือว่าเราใช้งานนั่นแหละนะเป็นเครื่องฝึกจิตของเราเช่นเจริญสติไปในตัวนะทำครัวก็เจริญสติไปนะทำงานจะขับรถหรือว่าใช้สมองใช้ความคิดก็เจริญสติไปด้วย นะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือว่าใจก็เป็นสมาธิแล้วเกิดความสงบขึ้นมานะและสมาธิรวมทั้งสตินะที่เรามาใช้ในการกํากับจิตมันก็มีส่งผลทําให้งานนั้นเนี่ยออกมาดีด้วยนะเพราะว่าถ้าทํางานไม่มีสมาธิทํางานไม่มีสตินะมันก็เหมือนกับรถที่ ไม่มีกำลังนะแล้วแถมพวงมาลัยก็ไม่ดีด้วยมันก็ไปถึงที่หมายได้ยากนะบางทีก็จอดนิ่งอยู่ริมทางหรือไม่ก็แหกโค้งนะลงคูก็มีนะจะไปถึงที่หมายได้เนี่ยรถก็ต้องมีทั้งพวงมาลัยที่ดีมีเบรคแล้วก็มีกาลังนะนะเมื่อเราทางานเนี่ยถ้าเราทำงานอย่างมีสติจนกระทั่งเกิดสมาธินะ ปัญญามันก็ออกมาได้อย่างเต็มที่ก็ทำให้เราสามารถจะทำงานให้เกิดความสำเร็จได้ส่วนคนทำคือเรานะก็เป็นสุขนะเรียกว่างานได้ผลคนก็เป็นสุขอันนี้เพราะว่าใช้การทำงานเป็นการปฏิบัติธรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมไปควบคู่กับการทำงาน ปฏิบัติทำในที่นี่มันก็มีความหมายหลายอย่างนะเช่ทนทํางานด้วยความซื่อสัตย์จริตนะก็ใช่นะแต่ว่าซื่อสัตย์จริตแล้วเนี่ยยังไม่พ อ, นะ อ, อก็ต้องทําใช้สติเข้ามาหรือว่าใช้การทํางานเป็นเครื่องฝึกสติมีสติในขณะที่ทํางานรวมทั้งการรู้จักฝึกใจให้ปล่อยวางด้วยนะ อาจารย์ผท่านบอกว่าทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างนะว่างในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงว่าว่างป่าจากความยึดมั่นในตัวตนนะคือไม่ได้ทำด้วยความยึดมั่นว่าเนี่ยงานที่เป็นกูเป็นของกูนะหรือว่าเพราะว่าเป็นของกูถึงทาถ้าไม่ใช่ของกูก็ไม่ทำอันนี้ก็ไม่ใช่เคยมีนะเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยมันเคยมี คนแอบเข้ามาตัดสมุนไพรในวัดก็มีคนมาบอกตามาพอตามารู้ก็ก็เรียกพระนี่ไปช่วยกันเข้าไปในป่าเพื่อไล่คนที่เข้ามาตัดไม่ได้คิดจะทำอะไรเขานะเพียงแค่เขาเห็นว่ามีพระม า, ามาตามหานี่เขาก็เลิกตัดสมุนไพรแล้วก็คงหนีไปตอนนั้นสมัยนั้นพระก็ยังไม่มาก ก็มีพระรูปหึงท่านนะไม่ได้สนใจจะไปช่วยท่านก็ให้เหตุผลว่าปล่อยวางแล้วนะปล่อยวางคือว่าวัวันนี้ก็ไม่ใช่ของเราป่าก็ไม่ใช่ของเรานะจริงๆท่านวางใจผิดนะหรือว่ายังให้เหตุผลไม่ถูกต้องเพราะว่าถึงแม้ป่าไม่ใช่ของเรานะถึงแม้วัดไม่ใช่ของเรานะ แต่ว่าป่านี้ก็มีคุณนะมีบุญคุณกับเรานะก็ควรเป็นหน้าที่นาะที่เราจะช่วยปกป้องรักษาป่ารักษาสมุนไพรเอาไว้นะหรือว่าทาไปเพื่อเห็นประโยชน์แก่ผู้อื่นว่าเออถ้าป่ามันมีความอุดมสมบูรณ์นะก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่มาได้สัมผัสกับความสงบสงัด ส่วนชาวบ้านนะก็ได้ประโยชน์จากป่านะอาจจะมีหน่อไม้มีเห็ดขึ้นหรือว่ามันทาให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลถ้ามีป่าสมบูรณนะ์คือมันมีเหตุผลหลายอย่างที่เราควรจะรักษาป่าไม่ใช่เพียงเพราะว่ามันเป็นของเราเลถึงจะรักษานะมันก็เหมือนกับร่างกายนี่ร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรานะเพราะว่าในทาง ในทางพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยนะป่านี่ก็ไม่ใช่ของเราร่างกายนี่ก็ไม่ใช่ของเราแต่ก็ไม่แปลว่าเราไม่ดูแลไม่รักษาเราก็ต้องดูแลรักษาให้มันดีที่สุดนะเพื่อที่จะใช้เป็นเหมือนกับเครื่องมือนะในการนำพาชีวิตให้ถึงจุดหมายนะคือความสงบเย็นและเป็นประโยชน์คนเราเนี่ยต้องใส่ใจกับสิ่งใดต่อเมื่อมันเป็นของเราหรือเปล่านะ เราไปยืมโทรศัพท์เราไปยืมรถคนอื่นมาขับมาใช้ในเมื่อมันไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นเราจะใช้แบบปุ๊บ ม, มันแบบปูยปยำได้หรือเปล่านะมันก็ไม่ถูกใช่ไหมของที่เรายืมมาเรายิ่งต้องดูแลรักษาให้ดีนะร่างกายเรานี่ก็เหมือนกันนะรวมทั้งของหรือสิ่งต่างๆที่เราได้มาหรือว่าดูแลนะอย่างพวกเรานี่ก็ถือว่ามาดูแล รักษาวัดรักษาป่าให้มันดีเราก็ต้องทำหน้าที่นะอันนี้เรียกว่าทำกิจนะทกิจแต่ขณะเดียวกันเราก็ทําจิตไปด้วยก็คือว่าในขณะที่เราทําเราก็ฝึกสติไปทำด้วยสติแล้วก็ทาด้วยใจที่ปล่อยวางนะบางคนอาจจะทํทใจปล่อยวางว่ามันไม่ใช่ของเราอาจจะยังไม่เข้าใจ แต่ว่าเราสามารถที่จะปล่อยวางในระดับอื่นได้อาจจะปล่อยวางตัวกูกของกูไม่ได้นะแต่ว่าเวลาเราทำงานแล้วก็ปล่อยวางอดีตปล่อยวางอนาคตใจเราอยู่กับปัจจุบันเวลาทำครัวนะเวลาหั่นผักใจเราก็อยู่กับปัจจุบันนะทำอะไรก็ตามเนี่ยนะเราปล่อยวางได้นะในขณะที่เราทำ แล้วก็ทําจิตไปในตัวปล่อยวางสิ่งที่มันผ่านไปแล้วความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีต ก, ก็ไม่เอามาเป็นอารมณ์นะส่วนงานมันจะมีอีกมากมายแค่ไหนก็ไปว่ากันข้างหน้านะแต่ตอนนี้เนี่ยใจฉันจะอยู่กับปัจจุบันอันนี้ก็เรียกว่าทํากิจแล้วก็ทําจิตไปด้วยนะส อ, อย่างนี่มันต้องไปด้วยกันนะ เวลาเราพูดว่าปล่อยวางปล่อยวางเนี่ยนะให้เรารู้ว่ามันหมายถึงการทำจิตนะคนไม่เข้าใจว่าปล่อยวางคือการไม่ทำกิตนะอันนี้ผิดเลยปล่อยวางคือการทำจิตทำจิตในแง่ที่ว่านะวางอดีตวางอนาคตนะอยู่กับปัจจุบันหรือว่าจะปล่อยวางว่าไม่ใช่ของเราก็ได้ แต่ว่าก็ยังต้องทำกิจถ้าไม่เข้าใจปล่อยวางนะไปคิดว่าคือการไม่ทำกิจนะอันนี้มันก็จะเกิดความเสียหายสมัยที่หลวงพ่อชาท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยสมัยนั้นว่า50ิปีสี่บปีนี่นหนองประพงนะ์กุติก็ยังไม่ค่อยเข้มแข็งแน่นหนากุติพระนะก็หลังคานี่ก็ มุงด้วยย้าคายาแฝกนะมีคราวหนึ่งก็เกิดพายุฝนนะกุฏิหลังหนึ่งก็โดนพายุพัดหลังคานี่แหว่งหายไปเกือบครึ่งท่านก็เดินไปดูตอนนั้นฝนคงจะตกพรำๆก็เห็นพระที่อยู่ในกุฏิหลังนั้นเนี่ยท่านก็ไม่ทำอะไรกับหลังคานะฝนร่วมมาทางนี้ท่านก็หลบนะ ไปทางไปทางอื่นคือหลบฝนอย่างเดียวนะแต่ว่าไม่ได้ทําอะไรกับหลังคาหลวงพ่อชาก็เลยถามว่าทําไมไม่ซ่อมหลังคาพระรุ่นก็บอกว่าผมปล่อยวางครับหลวงพ่อชาก็เลยตําหนิว่าเนี่ยปล่อยวางเนี่ยมันต้องใช้ปัญญามันไม่ใช่วางเฉยแบบบวยแบบควายนะคือปล่อยวางเนี่ยมันควรจะหมายความว่านะไม่ทุกนะมันเกิดขึ้น หลังคาร่วแล้วก็ไม่ทุกฝน ล, ล่วงก็ไม่วิตกกังวลนะปล่อยวางความวิตกกังวลซะหรือว่าปล่อยวางความทุกข์ใจแต่ว่ามันก็ต้องซ่อมอะนะหลังคาั่วก็ต้องซ่อมแต่ท่านพระรุมนี่ท่านไปเข้าใจว่าปล่อยวางก็คือไม่ซ่อมนะไม่ทำกิจนะเข้าใจผิดนะปล่อยวางคือการทำที่ใจนะส่วนหลังคาก็ต้องซ่อม เจ็บป่วยก็ปล่อยวางนะปล่อยวางว่าปล่อยวางคือว่าเอายอมรับนะไม่วิตกกังวลไม่บน่นไม่ตีโพยตีพายว่าทำไมต้องเป็นชั้นนะแต่ว่าก็ต้องรักษานะอันนี้เรียกว่าทากิจแล้วก็ทาจิตไปด้วยถ้าเรารู้จักทำาออย่างไปคู่กันเนี่ยนะเราจะพบว่าการทำงานเนี่ยมันจะเป็นเรื่องง่ายขึ้นนะจะทำให้เครียดน้อยลง คนส่วนใหญ่ทำงานนะทำกิจแต่ว่าจิตนะไม่ได้ทำด้วยปล่อยใจฟุ้งซ่านบางงานก็ไม่สําเร็จหรือว่าไปมัววิตกกังวลว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่ก็เสร็จนะก็เลยทำด้วยความเครียดนะบางคนขยันนะนะทำเต็มที่นะแต่ว่าเครียดมากนะจริงถ้าทำกิจและทำจิตดีๆนะเราสามารถจะทำเต็มที่นะแต่ไม่ซีเรียสได้ ทำเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสก็เพราะว่าวางใจถูกนะใจอยู่กับปัจจุบันมีฝรั่งคนหนึ่งแกเป็นนักปีนเขานะแกปีนเขาพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดมาทุกทวีปแล้วลุนทั้งเอเวอเรสต์ด้วยแกสรุปประสบการณ์การปีนเขามาหลายสิบปีว่าเนี่ยทุกอย่างมักน่ากลัวกับกวความเป็นจริงเสมอเมื่อมองจากที่ไกล ภูเขานี่สมัยที่ไกลโอ้โหดูมันน่ากลัวมากพอเห็นแล้วบางทีท้อเลยนะยังไม่ทันจะปีนเลยไม่ทันจะเริ่มออกสตาร์เลยก็ท้อและหนักใจแล้วนะแต่แกบอกว่าเนี่ยเทคนิคการปีนเขานะที่ดีวสุดคือว่าลืมยอดเขาซะแล้วก็สนใจพื้นดินใต้ฝ่าเท้าแล้วก็เดินไปทีละก้าวทีละก้าวนะถ้าเดินไม่หยุดเนี่ยถึงหน้าเดินไม่หยุดเนี่ยคือการทํากิจนะ ใช้ความเพียรเต็มที่แต่ขณะเดียวกันจิตเนี่ยมันก็วางนะวางจุดหมายเอาไว้ก่อนจุดหมายมันอยู่แก่แค่ไหนก็วางเอาไว้ก่อนมาสนใจพื้นที่ใต้ฝ่าเท้าคือสนใจปัจจุบันเวลาทำงานใจแล้วก็อยู่กับปัจจุบันนะส่วนความเพียรก็ทำเต็มที่นะอันนี้เรียกว่าทำทั้งกิจและทำทั้งจิตนะมันก็จะจอะอมาเป็นประเภทว่าทาเต็มที่นะแต่ว่าไม่ซีเรียส อยไปคิดว่าทำเต็มที่ต้องสีเรียดนะอันนี้เพราะว่าไม่ทําจิตนะบางคนนี่ไม่สีเรียดก็เลยไม่ทําอะไรเลยสบายอันนั้นก็ไม่ถูกนะทำจิตแต่ว่าไม่ทํากิจก็ไม่ใช่เราสามารถที่จะเอา2 อ, อย่างมาประสานกันได้นะคือทําเต็มที่นะแต่ขณะเดียวกันใจก็สบายใจก็ผ่อนคลายนะไม่สีเรียดนะอันนี้เพราะว่ามีสติอยู่กับปัจจุบันจนกระทั่งจิตเป็นสมาธิ หรือว่ามีปัญญาจนรู้จักปล่อยวางปล่อยวางแม้กระทั่งผลนะก็คือว่าผลมันออกมาอย่างไงนะก็ก็ไม่ก็ไม่ทุกข์กับมันหลายคนเนี่ยตอนที่ทำก็เครียดพอผลออกมาไม่ถูกใจก็ทุกข์นะแล้วก็เลยแล้วก็เลยท้อนะไม่อยากทำต่อไม่มีแรงทำแต่ถ้าเกิดว่าคนรู้จักวางใจดีๆเนี่ย นะหรือปล่อยวางถูกเนี่ยผลมันออกมายัางไงก็ไม่ยึดมั่นว่าเป็นตัวกูของกูไอ้ที่ทุ ก, ก็เพราะว่าไปคิดว่าเป็นกูเป็นของกูนะก็เลยทุกพองานล้มเหลวก็เล้ยสื้อกูล้มเหลวด้วยแต่หลวงพ่ออมเขียนท่านพูดเสมอว่าเนี่ยงานของท่านเนี่ยล้มเหลวก็จริงแต่ว่าตัวท่านไม่ล้มเหลวงานล้มเหลวแต่ตัวท่านไม่ล้มเหลว หมายความว่าท่านก็ยังมีความสุขท่านก็มีความสบายใจไม่ได้กลัดกลุมใจอะไรอันนี้พอแล้วพราะไม่ได้ไปยึดว่าเป็ น, ปปนไม่ได้ยึดวั่นในงานหรือผลของงานว่าเป็นกูเป็นของกูนะเอาคนส่วนใหญ่นี่นะเวลาทํางานนี่ก็ยึดว่าเป็นกูเป็นของกูผลงานออกมาก็กูของกูพอออกมาไม่ดีก็หมายว่ากูนี่ไม่ดีกูนี่แย่นะเราต้องแยกกันนะ ทำงานก็ทําไปแต่ว่าใจก็ไม่ไ ป, ปยึดมั่นว่าเป็นตัวกูของกูหรือว่าอย่างน้อยๆถ้ายังถือแม่งทำไม่ได้ก็ทําใจในแง่ที่ว่าเออช่างมันไม่เป็นไรปล่อยวางได้นะไม่สําเร็จก็ไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่นะหรือว่ามองว่าเออได้เรียนรู้นะจากงานถึงไม่สําเร็จถึงล้มเหลวนะเราก็สามารถจะเรียนรู้จาก ความล้มเหลวได้อันนี้ก็เรียกว่าทําจิตเหมือนกันนะคือมองความล้มเหลวในแง่บวกหรือว่ามองหาประโยชน์จากความล้มเหลวหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าใช้โยนิโสมนัสิกการโยนิโสมนสิการคือการรู้จักมองรู้จักคิดนะถ้าเจอความล้มเหลวนี่ก็ถ้ารู้จักหาประโยชน์จากมันก็ได้กําไรนะแต่ถ้าไม่มีโยนิโสมนสิการพอล้มเหลวก็ทุกข์กุ้มอกกุ้มใจเครียดนะจิตก็แย่นะ อุตส่าห์ทำเหนื่อยแล้วเหนื่อยทั้งกายใจก็ยังแย่ไอ้พวกเราเนี่ยเวลาทำงานยังให้เรารู้จักฉลาดนะฉลาดทั้งในการทำกิจแล้วก็การทำจิตนะทำเต็มที่นะแต่ใจก็ไม่ซีเรียสใจไม่เครียดนะออกมาแล้วเนี่ยถ้าเราทำด้วยใจสบายๆมันน่าจะออกมาดีแต่ถึงแม้ไม่ดีเพราะเหตุปัจจัยมันมากมายนะก็ไม่ทุกนะเพราะว่า รู้ว่ามันมีเหตุปัจจัยมากมายที่ทําให้เป็นอย่างนั้นหน้าที่ของเราคือการทําความเพียร น, นะส่วนผลเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยอย่างที่ภาษาจีนว่าเนี่ยความพยายามเป็นของมนุษย์นะความสําเร็จเป็นของฟ้าอันนี้ก็สอดคล้องกับคติพุทธนะก็คือว่าเราควรจะมุ่งหน้าทําให้เต็มที่นะแต่ว่าผลมาเจาะมาย่างไรเป็นเรื่องของเหตุปัจจัย ตถาถตาเป็นเช่นนั้นเองภาษาจีนเขาว่านะเป็นเรื่องของฟ้าดินนะแต่ว่าของพุทธเราว่าเป็นเช่นนั้นเองนะเป็นธรรมดาให้เวลาเราทำงานควรจะวางใจแบบนี้นะว่าเรื่องของผลสำเร็จนะเป็นเรื่องข้างหน้านะอย่าเพิ่งไปสนใจทำเหตุปัจจัยให้ดีทำเต็มที่ใช้ความเพียรถ้าเราวางใจแบบนี้นะใจเราก็จะไม่เครียดนะ เราก็สามารถที่จะทุ่มเทนะกำลังกายกำลังสติปัญญาให้กับงานพอ ง, งานออกมามันไม่สำเร็จน ะ, ะก็ไม่เป็นไรไม่ทุกข์ถ้าจำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ก็เริ่มต้นใหม่ด้วยใจที่สบายนะอันนี้ทำให้เราทาได้นานทาได้เรื่อยๆมันมีนะที่เกาหลีมีคุณป้าคนหนึ่งแกเป็นคนขายผัก แต่ก่อนเนี่ยแกก็คงมีคนขับรถนะส่งผักให้แกตอนหลังเนี่ยแกต้องมาขับรถเองจะขับรถก็ต้องมีใบขับขี่แกไม่เคยมีใบขับขี่เลยก็เลยต้องไปสอบสอบข้อสอบปฏิบัติเนี่ยแกผ่านแต่สอบข้อเขียนไม่ผ่านนะมีคำถาม50ข้อแกไม่เคยตอบได้ครบถึง30ข้อเลยคือไม่ถึง 60% ก็สอบตกก็ต้องสอบใหม่ ตอนเทอมมาดี้เรื่องรางแกเนี่ยประมาณเดือนกุมภาห้าสองมันเป็นข่าวเพราะว่าแกสอบมาแล้วเนี่ยเจ็ดร้อยเจ็สิบห้าครั้งนะไม่ใช่แค่สอบ3ามครั้ง2ี่ครั้งหรือร้อยครั้งนะแกสอบมาแล้วเจ็ดอยเ็ดบห้าครั้งสอบไม่ได้มันน่าคิดนะว่าเออมันมีคนอย่างนี้เลยหรือนะในเมืองไทยเนี่ยนะมันถ้าสอบสามครั้งอย่างไม่สุดก็สอบสามครั้งสอบไม่ได้ก็ใช้วิธีอื่นแล้วนะ ถ้าไมใช้เงินก็ใช้เส้นแต่ว่าในเกาหลีนี่ใช้เงินก็ไม่ได้นะจะไปซื้อซื้อใบขับขี่ก็ไม่ได้จะใช้เส้นก็ไม่มีใครยอมเพราะว่าระบบราชการเ้านี่เขาเขาเข้มแข็งแน่นหนามากมันก็ต้องสอบอะ่ะแต่ทําไมเนี่ยคนคนบางคนสอบสิบครั้งไม่ได้ก็เลิกแล้วยิ่งอยากได้นะ ย, ยิ่งพอไม่ได้ก็ยิ่ง ท, ท, ท้อแท้มานึกดูเนี่ยคุณเป้านนี้เนี่ยความเพียร น, นี่ไม่ต้องพูดถึงนะ แกมีเต็มที่เลยแต่ทําไมนะแกถึงยังไม่มีความท้อสอบได้สอบแล้วสอบอีกถึงขนาดนี้ก็เชื่อว่าแกต้องมีการปล่อยวางในระดับหนึ่งนะคือไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไรเอาไมา่ไม่ได้ไม่เป็นไรคนที่ทําด้วยความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยถ้าไม่ได้แค่ห้าครั้งทํห้าห้าครั้งไม่ได้นี่ก็ผิดหวังท้อแท้เลิกแล้วแต่ถ้าหากว่าจะทําได้เป็นร้อย้อยครั้งแบบนี้มันต้องมีการปล่อยวาง ในระดับที่น่านับถือทีเดียวมาได้ขา่าวทีประมาณพฤศจิกานะแกสอบได้แล้วหลังจากที่สอบไปแล้วก็150ห้าสิบครั้งนะนี่ขนาดใบขับขี่นะแกเรียกว่าเพียรพยายามมากถ้ามองเป็นเลนก็มองก็มองว่าแกเนี่ยยึดมั่นถือมั่นมากยึดมั่นถือมั่นมากนะ 20, นกนต้องขาะที่เรียกว่าต้องต้องสอบเนี่ยเป็น3ามสี่ปีนะ เรียกว่ากัดไม่ปล่อยแต่มองในแง่หนึ่งแกก็มีการปล่อยวางในระดับหนึ่งทีเดียวพร้อมงนันแกคงจะไม่เพียรพยายามขนาดนี้แกคงจะเลิกแกคงจะท้อแท้เป็นนานแล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าของคนที่ทําเต็มที่นะแต่ว่าไม่ซีเรียสนะแล้วพอไม่ซนะีเรียสเนี่ยถึงทําได้เยอะทาได้ทาได้นานทําได้ทําได้เต็มที่นะนเวลา เวลาเราปฏิบัติทำเนี่ยนะลองทำใจแบบนี้บ้างนะออได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรที่จริงหลวงพ่อเทียนท่านก็สอนแบบนี้นะทำเล่นๆแต่ทาจริงๆนะทาเล่นๆคือว่าใจปล่อยวางนะมันหลงบ้างมันรู้บ้างไม่เป็นไรนะมันฟุ้งซ่านบ้างก็ไม่เป็นไรเหมือนกับเวลาเราทำอะไรทาเล่นฟุตบอลนะถ้าเราเล่นแบบเล่นๆ น, นะ เราเราแพ้นะเราก็ไม่เสียใจเราก็ไม่หงุดหงิดนะแต่ถ้าทําจริงๆเนี่ยนะทำด้วยความรู้สึกหน้าดําคร่ําเคร่งเนี่ยนะพอแพ้เขาก็เสียใจโมโหฟัดกัฟัดกัเฟีฟฟฟ้ยนนักปฏิบัติธรรมหลายคนเป็นแบบนั้นนะพอใจเผลอใจฟุ้งนี่โมโหหงุดหงิดใหม่ๆก็ไม่หงุดหงิดนะแต่ว่าพอทําไปทําไปใจมันมันไม่อยู่กับปัจจุบันสักทีเนี่ยก็เริ่มหงุดหงิดละ แล้วก็พยายามบังคับจิตทำไปทำไปก็เครียดแน่นหน้าอกปวดหัวทำไปสักสองสามวันสองสาอาทิตย์ก็เลิกแล้นะอันนี้เพราะว่าวางใจไม่เป็นไม่รู้จักทำเล่นๆแต่หลวงพ่อเถียงบอกว่าทำจริงๆด้วยนะหมายความว่าตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาก็ทำเลยนะถึงแม้ไม่สร้างจังหวะนะแต่ว่าก็รู้สึกตัวในทุกอิริยาบถ ท, ที่ทา อาบน้ำถูฟันนะเดินบินธบาตผมพา้าพวกนี้เนี่ยเจริญสติได้ทั้งนั้นรวมทั้งเวลากินข้าวด้อหรือแม้แต่เวลาพูดคุยกันทำเล่นๆแต่ทำจริงๆนะทำเล่นๆก็คือรู้จักปล่อยวางนะหลวงพ่อคำคุณบอกว่าคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างคือไม่เป็นไรหมดนะแต่ว่าทำไม่หยุดนะทำไม่เลิกนะ อันนี้เรียกว่าทำกิจ ด, ด้วยแลว้วก็ทำจิตด้วยนะแล้วถ้าเราเอาไปใช้กับงานเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะทำเต็มที่นะแต่ว่าใจไม่เครียดใจไม่สี่เลียดนะก็ทำให้ทำได้นานงานก็ได้ผลนะคนก็เป็นสุขด้วยเอาละชาตินี้เพียงเท่านี้นะเอากลับคับ